การนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูก็มาครั้งนี้เป็นครั้ ง, งแรกแล้วก็ฟังพระอาจารย์จากยูทูบนะคะทีนี้เนี่ย เ, เรื่องของผู้ดูผู้รู้อะค่ะเวลาหนูลองปฏิบัติดูเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับเราแยกระหว่างผู้ดูกับผู้รู้เมื่อวันหนึ่งเนี่ย เราเกิดเวทนาค่ะแล้วพอเราดูแล้วรู้ไปเรื่อยๆค่ะมันเหมือนกับมีการแยกออกระหว่างผู้ดูกับผู้รู้อค่ะแล้วความเจ็บหรือความทุกข์ที่มันเกิดอยู่เนี่ยมันก็คลายไปปรากฏการณ์นี้ยพอมันเกิดขึ้นหนูก็เคยเล่ากับคือคุยกับกัล ย, ย, ยาณมิตรท่านหนึ่งอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการเพ่งหรือเปล่ามันก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าอะค่ ะ, คะมันอยู่ที่เรายึดรู้เน้นไหมอะถ้าเรายึดรู้ว่า ผู้รู้นั่นเนี่ยผู้ดูผู้รู้น่นเป็นเราตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เราก็จะหลงไปหลงเอาเอาตัวเราไปเพ้งเอาตัวเราไปรู้อันนี้มันผิดมันเป็นขันธ์หน้ามันเอาตัวปรุงแต่งไปปรุงแต่งแต่ถ้ามันมีผู้ดูมันมีกิริยาการเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่แล้วไม่ยึดไม่ยึดผู้ดูผู้รู้นั้นเรียกว่าพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้อันเนี้ยก็จะพ้นไปไม่ยึดเอาผู้รู้เป็นเราตัวเราเป็นผู้รู้ได้แต่แค่อาศัยว่า มีรู้อยู่แต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ไม่ได้ยึดผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราอาศัยว่ามันรู้อยู่อยู่ก็รู้ก็คือว่าอาศัยที่มีว่ามีสัตว์ารู้สัตว์วารู้สัตว์วารู้หรือแค่รู้แค่รู้แต่ไม่มีใครยึดว่าไอ้ที่แค่รู้คือตัวเราเป็นผู้แค่รู้เออไอ้พู้ดีรู้เนี่ยเป็นตัวเราถ้าเรายึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยหรือว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เพ่งอย่างเงี้ยมัจะกลายเป็นเอาตัวเราไปเพ่งอันนี้มันผิดอันนี้มันเป็นเอาขันหน้าเอาตัวปรุงแต่งไปเพ่งเป็นวิชาโดยเปาววิชาด หลงว่ามีตัวเราตัวเราตัวเราเป็นตัวตนของเราเอาไปดูเอาไปรู้เอาไปเพ่งแต่ถ้ามีกิริยาแต่มีกิริยาการรู้อย่างเนี้ยไม่ยึดเอาไม่มีผู้ไปยึดรู้ว่าเป็นเรารู้หรือผู้รู้เป็นเรามันก็จบลงอย่างที่ลูกบุราเคมะปะโตพูเจ้๊อตท่านท่านกล่าวว่าผู้รู้ไม่ใช่นิพพานผู้รู้ไม่ใช่นิพพานพระนิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายหากไม่ยึดเอาผู้รู้เป็นเราตัวเราเป็นผู้รู้ก็จะข้ามทะเลลงไปได้ข้ามทะเลทุบไปได้แล้ว คืออยากจะสอบถามอีกนิดนึงนะคะว่าณตอนนั้นที่หลวงตามบอกว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อใช่ไหมคะณตอนนั้นถ้าเรารู้เฉยๆเราก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีตัวเราเราก็คือหลอมรวมเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกับผู้กับกับธาตุดูใช่ไหมคะคือมันมีอะไรก็รู้อยู่แต่ไม่ไม่ยึดเอาว่าคนรู้เป็นคนเราอย่างเนี้ยมีมีตาก็เห็นมีตาก็เห็นเรียกว่ารู้อยู่ มีหูก็ได้ยินเรียกว่ารู้อยู่แต่เราไม่ยึดว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้เนี่ยคือตัวเราเห็นก็คือแก่ได้เห็นได้ยินก็คือแก่ได้ยินแต่ไม่ไยึดเอาว่าผู้เห็นผู้ได้ยินเนี่ยคือตัวเราเป็นผู้เห็นผู้ได้ยินเข้าใจไหมเพราะมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันก็รู้ว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นสภาวะนิ่งเฉยที่บอกว่าสภาวะดับมันก็เป็นอาการมันก็ต้องมีผู้ไปรู้อาการนั้นแต่ไม่ยึดว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้อาการนั้นเป็นตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเรา ก็คือเห็นเราเห็นเนี่ยตาเราก็เห็นรูปเนี่ยตาก็เห็นรูปเนี่ยแต่เราไม่มีความรู้สึกในใจเราไม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีว่าการเห็นรูปเนี่ยตัวเราเป็นผู้เห็นนะมันไม่มีความรู้สึกกับมีตัวเราเป็นผู้เห็นในใจไอ้การเห็นนี่ก็คือผู้เป็นรู้นั่นแหละรู้รูปต่างตาเรียกว่าเห็นรู้เสียงก็ตัวเราเป็นผู้รู้เสียงแต่ถ้าเราไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดว่าไอ้ผู้รู้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้ แล้วก็รู้อาการหองใจรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้ใจที่ว่างรู้สภาวะต่างๆแม้แต่สภาวะดับสภาวะสภาวะไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่สําคัญอยู่ตรงที่ถูกรู้ไม่สาคัญอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่ถูกรู้ไมว่าเป็นสภาวะดับเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นสภาวะไม่มีอะไรปรากฏแต่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราไปยึดเอาไอ้ไอ้ผู้ที่ไปรู้รู้หลุรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ทำอารมณ์รู้อาการหองใจรู้สภาวะธรรมเราไปยึดเอาไอ้ผู้รู้เนี่ย เป็นตัวเราไหมเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราไหมเราไปยึดตรงนี้ไหมที่ท่านกล่าวว่าถ้าเราไม่ยึดเอาพานิพานไม่ใช่ผู้รู้พานิพานไม่ใช่ผู้รู้พานิพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจะไม่มีที่หมายหากไม่ยึดเอาตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราก็จะพ้นจากทะเลทุกข์ไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเออถ้าเข้าใจงี้จานทร์ก็จะสงบไปเลยจะมีสติปัญญาแบบนี้ก็อยู่กับผู้รู้แล้วก็ไม่ยึดผู้รู้อยู่กับผู้รู้ไม่ยึดผู้รู้ ค่อาศัยได้เป็นเครื่องรู้อาศัยได้แต่สัตว์ตวะรู้อาศัยได้สัตวตะวัรู้แต่ไม่ยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราอาศัยแต่แต่มีอะไรก็สัตวตะวัรู้ผู้จิตใจกับพยยะว่าถ้าเธอเห็นถ้าเธอเห็นแล้วสัต์ตะวัเห็นได้ยินสัตว์ตวัยินรู้แจ้งสัตวตวัรู้แจ้งนั่นแหละเธอจะพจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าไม่มีตัวตนของเธอเลยเธอจะไม่มีตัวสิ้นตัวตนเธอจะสิ้นกิเลสบรรพณิพนธ์ นะฉช็อตสักที่น้าช็อตที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้มันจะสั้นมากมากเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอาพอเรามีความคิดเด้งขึ้นมาแล้วเราจะกลับไปยึดไอ้ตัวที่มันเป็นฉ็อตสั้นๆนั้นว่าเป็นผู้รู้ใช่ไหมคะไม่ใช่มันก็สักต่ว่รู้เรื่อยไปมันเป็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้เป็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่เห็นสักได้ยินมันก็ต้องเห็นใมีตาก็เห็นมีหูก็ได้ยินก็คือคำว่าสักแต่ว่าคือไม่ยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเรามันก็เลยกลายเป็นัแต่่วา เห็นกสัพตะวัเห็นั่นดีกสบตะยินมีอาการอะไรเกิดขึ้นไหมแต่มีสภาวะดับมีสภาวะว่างมันก็ก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แต่ไม่ยึดตัวไอ้ผู้ที่รู้คือตัวเราเป็นผูรู้ไม่ใช่ว่าเราไปยึดเอาตรงสภาวะที่มันดับขนาดจิตนั้นคือมขนาดจิตต่อมามันมีอะไรก็แค่รู้แค่รู้ไอ้แค่รู้นั่นแหละคือมันไม่ยึดเอาตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราจึงเรียกว่าแค่รู้ถ้าไม่แค่รู้คือมันเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราแล้วเราจะรู้เราเป็นเราจะไปเอาอะไรมันเป็นอะไรให้ได คือหลวงตาค่ะมันค่อนข้างยากมาเลยค่ะที่จะรู้แบบได้อย่างต่อเนี่ออันนี้คือความยากนะคะือที่มันจะรู้แบบช็อตต่อช็อตต่อช็อตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ก็แค่รู้อ่ะเราก็แค่รู้ให้มันบ่อยๆขึ้นถีขึ้นมันก็จะเป็นเข้ามาถีกันเองเราจะไปทําให้มันถีทุกช็อตไปเลยไม่ได้แล้วแต่มันเป็นยังไงก็แค่รู้อะมันจะช็อตนี้อีกสองสามวิธีมาอีกช็อตนึงก็แค่รู้ อีกสามสี่วินาทีมาอีกช็อตนึงก็แค่รู้แค่รู้ตะพุทตะฟืนเดี๋ยวมันก็จะถีกเข้ามาเรื่อเยเรื่อยถีกเข้ามาเรื่อเยเมันอยู่ที่ว่าทุกขณะที่หนูรู้เนี่ยมันแค่รู้จริงมอ่ะคือเราไปยึดเอาตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราไหมถ้าเราไม่ยึดมันก็แค่รู้จริงๆรนะิงเห็นก็คือเรียกว่ารู้เหมือนกันเรียกว่ารู้ทางตาแต่ว่าเรียกว่าเห็นได้ยินมันก็รู้เหมือนกันนะแต่เรียกว่าได้ยินก็คือรู้รู้ทางหูแล้วก็รู้ทางใจก็คือแค่รู้ ถ้าอย่างบางทีเราต้องทํางานไปด้วยเราต้องใช้ความคิดนี้เราจะมีวิธีที่จะแบบสักว่ารู้ได้ยังไงอ่ะแล้วก็ทำไมอ่ะทําไมจเต่ารู้ไม่ได้อ่ะใช่ความคิดเราก็รู้ตัวเราคิดอะไรอยู่พูดเราก็รู้ตัวพูดทําไมอ่ะเราไม่ใช่ว่าไปทําผู้รู้เราไปอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่นะตัวเรานี่แหละเราไม่ใช่ทว่าทําผู้รู้มาดูตัวเราอีกตัวหนึ่งนะมันก็คือตัวเรานี่แหละรู้ตัวเราเองอ่ะ ไอ้ผู้รู้ก็อยู่ในตัวเรานเนี่ยเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามีผู้ผู้รู้มาอยู่มาอยู่มาอยู่นอกตัวเราแล้วมาดูตัวเราเลยทํางานเลยแล้วรู้ไม่ได้เนี่ยหนูนั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมว่านั่งอ่านี่ไงก็คือรู้รู้เป็นคนพูดหรือเป็นคนหยุดฟังรู้ไหมทราบเนาะทราบมาหยุดพูดหรือหรือเป็นคนฝ่ายพูดหรือฝ่ายฟังใช่ไหมอัเนี่ยทำไมนหนูรู้เลยล่ะอะเวลาทํางานเนี่ย เรานั่งทำงานหรือเดินทํางานรู้ไหมนั่งทํางานหรือเดินทํางานรู้ไหมเอ้าก็นี่ยก็แค่รู้แน่ๆหนูก็แค่รู้ว่าตัวเรานั่งทํางานหรือเดินทํางานได้แค่รู้่แน่ๆโดยไม่ยึดไว้ผู้รู้เนี่ยตัวเรานี่มีตัวเราไปทํารู้มันรู้ตัวเราอีกตัวหนึ่งแต่เราถ้าเราแค่รู้ไปอย่างซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาก็คือตัวเราเนี่ยแน่มันรู้ตัวเราเองแหละเราไม่ต้องไปสร้างอีกตัวหนึ่งคือหนูเดินทํางานหรือยืนทํางานหรือนั่งทํางานรู้ไหมเออรู้แล้วก็หนูก็แค่รู้คือไม่ยึดว่า มีตัวเราอีกตัวหนึ่งมารู้ตัวเราแต่ก็แค่รู้ว่าตัวเรานั่งหรือถึงทำงาน แ, แค่รู้นั่นแหะเป็นธรรมแล้วไม่เห็นว่าจะต้องบอกว่าเดี๋ยวทํางานปฏิบัติไม่ได้แล้วเวลาเราทํางานอยู่เนี่ยเราพูดกับลูกน้องพูดกับเจ้านายหรือว่าเราไม่ได้พูดเรารู้ไหมเราเป็นฝ่ายพูดหรือเป็นฝ่ายเจ้าฟังเจ้านายพูดเราพูดหรือไม่พูดเรารู้ไหมรู้อา้าวไม่เห็นต้องบอกว่าหนูไม่มีเวลาที่จะรู้ตัวเองเราก็ถามอะไรก็รู้หมดแล้วนะั่งทางานก็รู้หมดว่า เราทํางานก็รู้หมดว่าเราพูดหรือเราไม่พูดพูดกับเจ้านายพูดกับลูกน้องหรือตอนนี้ไม่ได้พูดนั่งเขียนหนังสืออยู่รู้ไหมรู้อ่ะไอ้รู้นี่ยแนะที่เป็นมีตัวเราเป็นคนรู้เอารู้เป็นตัวเราอตัวไม่มายึดยุบ ม, มันวายกับตัวรู้อันนั้นนี่ยคือเป็นธรรมนั่นแน่คือเป็นธรรมแล้วเราเห็นบอกปฏิบัติทำไม่ได้แล้วหนูนั่งทํางานอยู่เนี่ยมันคิดอะไรหรือไม่คิดอะไรรู้ไหม<อ>คิดดีคิดชัว่วคิดบุญคิดบาคิดกุศล น, นอกกุศล ร, รู้ไหม แม่เราคิดเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลอกุศลเลยรู้ไหมอ้คเอารู้สิเขาต้องรู้สิแม่เขาพาแฟนก็เดินมาด้วยสวยใช่ไหมธรรมชาติของคนต้องไม่มีกิเลสเนี่ยมันจะต้องรู้อยู่แล้วว่าแมแห่พาแฟนก็เดินมาหล่อมากเลยสวยมากถูกสเปคเรามากเลยรู้ไหมเราคิดอะไรเขาอย่างนั้นอ่ะคนอื่นรู้ไหมคนอื่นรู้ไหมว่าเราคิดอย่างงั้นอ่ะไม่รู้ใครนคนรู้ <mm <ing. S 1> นี่เห็นไหมเรารู้เห็นไหมเรารู้เรารู้าาเพราะในที่เรารู้เรารู้แท้จริงเนี่ย เราแท้แทเนี่ยคือผู้ที่มารู้ตัวเราทั้งการคิดการพูดการกระทำนั่นแหละคือคือเราแท้แท้ที่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยไม่เคยถูกแตกดับทําลายมันเป็นวิญญาณแท้แท้ที่มันมาเกิดหรือว่าจิตแท้แหรือใจแท้แท้หรือเป็นวิญญาณแท้แหรือเป็นธาตุรู้แท้แที่มาเกิดอันเนี้ยมันจะรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำไม่ใช่ว่าต้องมาสร้างต้นลายตัวมาคอยรู้ตัวเราดังนั้นหนูทํางานอยู่เนี่ย หนอยืนเดินนั่งนอนเดินไปเดินมาเขียนหนังสืออยู่รู้กินข้าวอยู่หรือทาอะไรอยู่หนูก็ต้องรู้ผมเป็นธรรมชาติแต่แท้ที่คือเราเนี่ยเป็นคนมรรู้ตัวเราไอเราแท้แท้เนี่ยคือผู้ทธิมรรู้ตัวเราแต่ไอตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวปุงแต่งเป็นตัวสมมุติเป็นตัวแตกดับทําลายไอตัวเราที่พูดที่ที่รู้ว่าเราพูดหรือเราไม่พูดไอตัวเราที่พูดหรือตัวเราไม่พูดเนี่ยไอเนี่ยคือตัวตัวเป็นตัวสมมติตัวไม่เจี่ยงตัวแตกดับทําลายแต่ตัวที่รู้ว่าตัวเราพูดหรือไม่พูดเนี่ย ไอเนี้ยมันเป็นตัวแท้ตัวเราแท้แท้ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกทําลายตัวตนไม่มีไอตัวเราเนี่ยที่คิดดีคิดแย่คิดบุญคิดบาปคิดกุศลนักกุศลเราบบใครในขณะเราทํางานเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราคิดอะไรอยู่ไอผู้ที่มารู้ว่าตัวเราคิดอะไรอยู่เนี่ยไอเนี้ยคือเราแท้แท้ที่ไม่มีตัวตนไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายแต่ไอตัวเราที่กําลังคิดเนี่ยกำลังพูดกําลังกระทําเนี่ยเป็นตัวตายเป็นตัวไม่เที่ยงเป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายแต่ไอที่รู้ตัวเราเนี่ยไอตัวเนี้ย มันรู้ตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปคิดอะไรในที่รับที่แจ้งจะไปพูดไปแอบกระทำอะไรกับใครในที่รับที่แจ้งเราบอกว่าเรารอดพ้นกับจากการเห็นของคนอื่นได้แต่เรารอดพ้นจากความรู้ของตัวเราไม่ได้ใช่ไหมเราไปแอบคิดแอบพูดอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งเรารอดพ้นจากคนอื่นได้ที่เขาไม่รู้เราแต่รอดพ้นจากความรู้ของตัวเราได้ไหมไม่ได้ อันไอตัวเราะที่มารู้ตัวเราเนี wording, id, God, ่ยมันรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเหมือนตัวแบบว่าสอดรู้สอดเห็นสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเราตลอดเวลาเลยแต่ไอตัวเราที่ถูกสอดรู้สอดเห็นเนี่ยทางการคิดการพูดการกระทำไอ้ตัวนี้เป็นของไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายไอตัวเราที่มันนิ่งมันเฉยจะบอกเหมือนอาการดับเหมือนกับตัวเรารู้สึกว่างไปหมดไม่มีอะไรตัวเรารู้สึกว่าดับตัวเรารู้สึกนิ่งตัวเรารู้สึกเฉยไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวอะไร มันเป็นตัวเราที่ถูกรู้ว่าตอนนี้เรานิ่งเราเฉยเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยดับไปเลยเหมือนกับตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรไอความรู้สึกว่าตัวเราไม่มีอะไรเนี่ยแท้จริงอ่ะมันมีผู้อะไรมีตัวเราที่มารู้ตัวเราว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเรานิ่งเราเฉยเราเหมือนดับว่าเราเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ไอตัวที่เรานิ่งเราเฉยระดับมันไม่มีอะไรอันเนี้ยเป็นตัวตายเป็นตัวเกิดเป็นตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายเดี๋ยวเฉยบ้างเดี๋ยวดับบ้างไม่ับบเดี๋ยวมีอะไรรู้สึกว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่างบ้างเดี๋ยวก็ไม่ว่างบ้าง แต่พอว่างเรารู้สึกว่างมากเลยคนอื่นในที่เนี้ยรู้ไหมรู้สึกว่าแม่เรานั่งตอนนี้ใจว่างมากเลยคนอื่นหน้าที่นี้รู้ไหมว่าเรารู้สึกใจว่างมากเลยรู้ไหมไม่รู้ใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้เห็นไมนึกรู้นึกจำไว้ดีดิหนุนตะเกตยบไหมพี่นายดีคั้นถามอะไรเราถึงเป็นคนรู้เราี่เป็นคนรู้ตัวเราจะเป็นคนรู้ ใครจะไปรู้ล่ะใจเราว่างหมดตัวเรารู้เราใจว่างใจมันนิ่งมากเลยใครเป็นคนรู้ว่าใจเรานิ่งใจมันดับไปหมดเลยเหมือนไม่รู้อะไรใครเป็นคนรู้ว่าใจเราดับเราเป็นคนรู้อถามที่ถามที่ไรทีไรทุกคนตอบได้หมดเลยว่าเราวเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้แต่เอาเข้าจริงอะพวกเราทุกคนเนี่ยไปยึดเอาเราเป็นใครตัวเราไปเอาไปตัวไหนเอาตัวเราเป็นตัวที่ถูกรู้ เราไปยึดเอาตัวเราเป็นตัวที่ถูกรลูไอ้ตัวเรานิ่งตัวเราเฉยตัวเราว่างตัวเราโมโหตัวเราไม่โมโหตัวเราโกรธตัวเราดีใจตัวเราเสียใจตัวเราสุขตัวเราทุกข์ตัวเราผ่องใสตัวเราเศร้าหมองไอ้ตัวนี้เป็นตัวอะไรใครรู้ไหมว่าเราเป็นออย่างเงี้ยใครรู้ไหมคนอื่รู้ไหมไม่รู้ใครเป็นคนรู้เรารู้ใช่ไหมเอาเข้าจริงอะตัวเราคือตัวที่มารู้ตัวเราแต่ตัวที่ผ่องใสที่สุขที่ทุกข์ที่เศร้าหมองที่เรามันนิ่งมันเฉยตอนนี้เรารู้สึกว่างไม่หมดเลย ตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่ว่างตอนนี้เราโปร่งโล่งเบาสบายตอนนี้เราไม่โปร่งไม่โล่งเบาสบายถามว่าคนในที่เนี้รู้ไหมเราเป็นอย่างเนี้ยไม่รู้เลยใครรู้เราอะรู้ตัวเราดีเราอะรู้เราอะรู้เพราะฉะนั้นตัวเราที่แท้จริงอะคือผู้ที่มารู้ตัวเราแต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่ไป็ลอยออกไปอยู่นอกตัวเราแล้วมาดูตัวเราหรอกคือมันรู้ตัวเราไปเลยว่าเราเป็นยังไงไอ้ผู้ที่รู้ตัวเราไปเลยได้เป็นยังไงเนี่ะคือเราแท้ๆอันเนี้ยแล้วลองไปหามันดีกว่า มึงเป็นใครวะสอนรู้สอดเห็นเรื่องกูตลอดเลยเนี่ยมึงเป็นใครวะถ้าเราถามมันอย่างเงี้ยกูไม่ว่าไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทํำเลยที่รับที่แจง้งของมึงก็สอดรู้สอดเห็นเรื่องกูตลอดเลยมึงเป็นใครวะถามมันเจอไหมไอที่มันแอบรู้สอดเห็นสอนรู้สอนเห็นเรื่องเราตลอดเลยมันเป็นใครรู้หามเจอไหมเจอไหมวะไอพุทธิมรู้เรื่องเราตลอดเลยเนี่ยรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนเป็นยังไง ร, รู้ไห ม, มเออมันไม่มีตัวตน มันหามันไม่เจอมันมันไม่มีตัวตนมันรู้อยู่ที่ไหนด้วยเพราะมันตัวตนมันไม่มีแต่ค้ารถามว่ามึงเป็นไข่วะมันรู้เรสอนรู้สอนเห็นเรื่องกูตลอดแล้วกูจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรกูจะใจว่างใจไม่ว่างใจสบายใจไม่สบายรู้ตลอดใจนิ่งใจเฉยใจไม่นิ่งใจไม่เฉยมันรู้ตลอดเลยมึ้งเป็นไข่วะถ้ามันตอบได้นะไอ้ผู้รมันตอบได้ว่ากูนี่คือมึงไงมึงไม่รู้จับตัวมึงไงก็กูนี่แหละคือมึงเงอะมวยรู้จับตัวมึงไง มึงก็หลงก็ผิดตัวมาตั้งนานแล้วหลายพบทุกพบทุกชาติมึงก็หลงเอาตัวมึงที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวมึงแต่มึงเน่ยแหนก็คือตัวมึงที่มันรู้ตัวมึงเองอ่นแหละอมันก็จะว่าเราไอ้ตัวรู้มึงก็ไม่รู้จักตัวมึงเองคือเราแต่ไม่รู้จักตัวเราเองเราไปเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราเรื่อยไปทุกชาติพอเราไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นงูเป็นหนอนเป็นแมลงเราก็เอาไ้ตัวเราที่เป็นหนอนเป็นแมลงเป็นหมาเป็นแมวเป็นงูอะไรเนี่ยเป็นตัวเราแล้วเราก็ประยุทธ์ อ่าไอตัวตรงข้ามไอตัวเมียได้เห็ตัวเมียสวยไปพอต่อไปตัวเมียยึดไอตัวผู้หล่อมากเลยแล้วก็ขานกระดึบกระดึบกระดึ๊บไปประสมพันธุ์กับเขาออกลูกออกหลานมานี่ก็ลูกปูลูกปูนี่ผัวกูเมียกูนี่คือตัวกูมันก็ยึดเอาไอตัวเราที่ถูกรู้ที่มีความคิดเมีอารมณ์เป็นตัวเราทุกชาติไปมันไม่เคยสักชาติเดียวที่มันมาพบว่าแท้จริงเราคือผู้ที่มารู้ตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวเราที่ถูกรู้ พรตัวเราที่ตูกรู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตายได้ทุกชาติค้นถามใครทุกคนอะเข้าใจหมดทุกคนเลยถามเด็กก็รู้หนูเนี่ยนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้อผมก็รู้ของมเองดินอนอยู่ใครมป็นคนรู้ก็ผมก็ต้องรู้ของผมเองพูดอยู่ใครเป็นคนรู้อผมก็ผมรู้เองเอ้าวไม่พูดใครเป็นคนรู้ผมก็รู้สิสบายใจไม่สบายใจใครเป็นคนรู้นั่งในในี้ใครรู้ไหมว่าเราแหมข้างในสบายใจมากเลยไม่สบายใจใครใครเด็รู้ไหม ไม่รู้ใครเ็คนรู้หนูวะนี่ผมไม่ได้เป็นคนรู้ถามแล้วเด็กเดินกันรู้หมดแหละมีความคิดมีอารมณ์อะไรรู้ไหมผมก็เป็นคนรู้สิคนอื่นรู้ไหมว่าเรามีความคิดอารมณ์อะไรคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลใครรู้ก็ผมเลยเป็นคนรู้เห็นไหมมันเอาตัวเราเป็นคนรู้หมดเลยตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้แต่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราเอาตัวเราเป็นใครเอาตัวเราเป็นตัวที่ถูกรู้ แล้วไอ้ตัวเราที่ถูกรู้มันก็เป็นตัวเกิดตัวตายไงพอเรายึดผิดตัวเราต้องไปเกิดไปตายไปทุกอยู่อย่างนั้นแหละเราทุกมากแล้วเราทุกเราแย่แล้วเราเป็นอย่างนู้นเราอย่างงี้ยแต่ไอ้คนที่รู้ว่าเราทุกเนี่ยคือเราแท้แฉพอเราสุขอะไอ้ตัวสุขจะเป็นตัวตายเป็นตัวสมมุติแต่คนที่รู้ว่าเราสุขเนี่ยไอ้นั่นไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทาลายคือเราแต่แฉจึงบอกว่ากานเราถามมันเขาว่าเองเป็นใครวะมาสอดรู้สอนเห็นเรื่องของข้าหมดเลยแค่เมื่อไรข้าจะคิดจะพูดจะทำอะไรข้าจะสบายใจไม่สบายใจเองเป็นใครว ชัางรู้จริงๆเลยมารู้เรื่องของข้าหมดเลยถ้ามันตอบได้นบอกว่ากู ก, กับเป็นมึงกันเลยใจยไหมล่ะ